คนที่รู้จักเป็นคนเคยทำดีมาตลอดชีวิตแต่ทำไมกลับตายด้วยอุบัติเหตุสยองเราเห็นด้วยตาเปล่าว่าเขาตายไม่ดีแต่ไม่รู้นิครับว่าเขาไปดีหรือไปร้ายความตายคือการจบในสายตาของมนุษย์แต่ในโลกวิญญาณแล้วความตายอาจเป็นเพียงเครื่องมือส่งไปสู่จุดหมายปลายทาง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 อาจกำลังพากันหัวเราะสดชื่นตื่นเต้นกับภาวะใหม่ที่น่าพึงใจถึงขีดสุดอยู่ก็ได้คนเราจะตายอย่างไรกรรมเขาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกให้เสมอบางทีก็เป็นการจับมือทำงานร่วมกันระหว่างของเก่ากับของใหม่อย่างเช่นกรรมเก่าข้อปานาติบาตมีหน้าที่ตัดอายุกรรมใหม่เช่นมหาทาน มีหน้าที่ส่งไปสู่สุขติถ้าถึงจังหวะหนึ่งมีโอกาสประสานกันก็อาจส่งรถบรรทุกเจ้ากรรมมาประสานงาเอาดือด้อพวกตายคาที่กระทันหันนั้นมีอยู่สามประเภทใหญ่ๆครับ 1. คือเคยรอบฆ่าเข้ามา 2. คือถึงเวลาไปเป็นวิญญาณผีตายโหงหรือโลงนรกส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 ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่เป็นสากลระดับโลกนะครับที่แสดงสถิติการเกิดการตายในแต่ละวันสามารถใช้คำค้นหาว่าสถิติการเกิดตายก็จะได้เห็นตามจริงนะครับว่าในแต่ละนาทีวินาทีที่ผ่านไปนั้นมีคนตายตลอดทุกเวลาและทุกวันจำนวนมากแค่ไหนข้อมูลพวกนี้จะทำให้เราไม่ประมาทแล้วรู้สึกได้ว่าความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวเพื่อจะได้ตระหนักถึงว่า ขณะนี้มีชีวิตอยู่แล้วเราควรทำอะไรต่อไป